กวรรคป่ารบนักสือโทรบ า, าจยาเจ้าหน้าที่งร า, า, าิการทุกท่านเจริอคอร์อาชีกคนรัฐบาลซึ่งมีทัทนงนยกเทศบาและเจานที่ สัาตาตาสาธุชนผู้บริษัทผูสทุกท่านการรบหรือเอกคือการเจ็บตตาที่ว่าตาบวมแย่ พูดถึงจะ ส, กกสวดตัวแล้วคณะข้าเคยมาครั้งหนึ่งตอนที่จะาของบุกบุกจะขิะะ้นมาเป็นรู้กี่ปีแล้วและคราวนี้ก็การเดินทางมาก็ขัดขัดต้องขึนต่อเพราะว่าไม่เคยจำาน้าทาง อาศัยความนี้คือไอ้อ๊โฟผาอถึงไม่เล้วถึงแมเล่าตามความตั้งใจของข้าพนันที่ว่าจะมาเ้าศกหลีงผู่เฉยๆสมัยหลวงปู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มาวัดนี้จะเคยคุ้นเคยทันรู้จักกัน ท, ท่านอยู่หลวงปูมาเจอท่านในวันที่มีงานในวัดนี้พระสารคูตสุติเราขอรู้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนหลวงปู่ท่านมาอยู่ที่วัดนีก็เลยทักบบไปแวะไหว้วจะ คณะผู้ดูแลปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสัตภูเมตตากิติคุณหรือท่านหลวงปู่สมหมายท่านก็สดับสนุนส่งเสริมตลงปู่ให้มาดูแลอารามแห่งนี้ท่านก็ดูแลวัดนี้ วิภาวัพุทธยิ่งขึบบ้ถึงจะเป็นภูมิประเทศที่ตันด า, าพอสมควรแต่ล้งภู่ตันตัวหลวงบรมปูวมีแตภูเขายังอยู่ได้วันนี้มั้อก็มีภูเขา มีนาำมีดีทีิทุกวันก็ได้ตัวกระผมหรือตั้งมาพูดล้อเล่นกับท่านก็ได้เห็ุที่ตัวรถหลุดเลิกและตัวผู้ผู้นี้เกิดปีเดียวกันงเป็นผู้คุยกันเป็นที่ รู้และเข้าใจตัง้งตัวพูดยอแล้วเล่นล้มลุงมายุนี้ท่านก็นหน้าที่ของท่านสมกับที่ทูบาจาไว้วางใจและทูบาจารย์ท่านก็มอกหมายให้ทหน้าที่คือ เป็นเจ้าวาาผู้ดูแลวัดแก่พระรัฐอย่างอื่นท่านสมองหาใไปโดยเฉพาะ อ, อื อ, อ ก, ก็ก็ปูเมตตาทธิคุณถ้าบังคัว่าหลวงปูเลิศหรือก็ปูโสภัณฑ์ ขอเวีาเชื่อใจในหลวงู่กับสมนงนของคุณบําเจ้าอย่างเป็นความสามารถภระที่ในความเป็นพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาท่านักธรรมโดยสมบูรณบริบูรณ์ยังเป็นที่ไว้เนื่อเชื่อใจและประเสนเอท่านให้เป็นผู้แสวัดหลง่เจ้ว่า แสงแดดเหลือไอ้หมวยเหนือไอ้เาต่างจุด้องจุดประหม่าอสัตว์อันจึงได้เป็นกักภูจ้าว่ากักภูสุขธรรมะต่อเหสมสมควรได้ทางธสม ในสมนี้คือหนองหานเซีวานพระสมของหลังฮานสุวัฒนมีน้อยแต่วัดมียกะจิตตาก็มาสอบถามทั้งหลายแต่ญาตินั้นยังมีพระสรบลูกเไม่ตามแต่ท่านอยู่ก็ถือว่าเป็นสถานที่เต่าเตียย แก่งแตงสลควรแต่ด้วยเหตุที่ว่าประสงนั้นความเป็นอยู่นั้นจะมีความสุขสบายหรือเรียกหน้าอย่างไรนั้นท่านให่ต้องมือไปอยู่ในสถานที่แดงแ้วเป็นที่สบายกายสบายใจ คือภาวมุ่งมั่นของท่านนั้นมุ่งมั่นใน้ฐานที่ดับเปินปฏิกิริยาพระพุทธศาสนาคือเจริญเนตตาพุทธศาสนาคืออัตติใจของคนยิ่งสถานที่ใดโภยอยากพูดยากท่านยิงชอบเพื่อจะเป็นฐานที่สุดว่า ความยากดากดดันลำบานั้นจะตึงแรอท่านบวชเข้ามาทั้เพื่อเกิดันในส่วนนี้นกคกอดขาาอจิตใจของท่านให้เข้มแข็งทนแต่หลังูมายอยู่นี้ท่านก็อยู่ด้วยการอดคนแต่ท่านก็ มีผู้ที่ดูแลเก่ใจส่อย่างดีอรู่ที่ภูมิศักดิ์ปุ่นท่านก็ส้ต่อในด้าแห่งในช่วงวูดดอนสานีในป่าตือท่านก็ไปดูแลผวัดให้การสนับสนุส่งเสริมทั้งหาทีสิ่งใดขาดผู้ปกคองท่านกาสิทธนสิตทานอยูให้ตามสนับสนุนส่งเสริม ด e ูแลวัดันดูแลตั้งสอสามเนี่ยในวัดนั้นให้สมได้พราด้ามเพื่อเพื่อเพื่อแผของท่านภูมิศาิพิคุสงภูมิเลิศหรือพระภูโสธรรมน่ามาอยู่นี้ท่านก็ได้รับความคุ้ทางกายทางจิตใจท่านถึงอ่างมากตั้งใจ อยู่ในสถาที่นี่เพื่อที่จะดูแกวัดวาแก่ศาสนาและเป็นศูนย์รวมใจให้แก่ประชาคนผู้ที่มีความต้องการอยากจะเข้าวัดเพื่อไปบำเป็นกุศลเพื่อใธรรมะสาวีสุดต้นย่อมผูท่านทถึงเดช เยอมากอยู่ในแต่ศาที่นี้อย่างมั่นคงพระเจ้าพระสงทั้งหลายอยู่ที่ไหนจะอยู่ในป่าในเมืองเรียกว่าอรันเจวาสีหรือตามวาสีก็วัดปฏิบัติก็เหมือนอย่างเดียวกันหมดแต่ว่าสุดแท้แต่ก็คุณท่านเหล่านั้น อยากนำประพฤติธปฏิบัติคือกิจของพระสงฆ์มีอยู่2 อ, อย่างคืออันตรายุรักษ์วปัสนาตุรักษ์อายุรักนัหมายถึงการเรียนการศึกษาที่ปัสนาตุรัก็คือการประพฤติธปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาดูได้เข้าใจแล้ไปปรธปฏิบัตินี่กิจใหญ่ๆมีแก่นนี้ แต่หน้าชี่ของพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาแอลระหว่างพระสงฆ์กับญาติโยมต่างสำคัญว่าญยมตัวพระสงฆ์สบายพระสงฆ์ตัวญาติโยมสบายแต่ความจริงแล้วก็พอกัน การดูแลหรือ ร, ร่างกายราระที่คิด แ, แต่แตกต่างกันก็เฉพออราระหนที่ประสมค์นั้นโตภาระนาที่อย่างที่สาคือเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติตามยากอูก็ภาระหที่ก็สุดแค้แต่จะรับมนนือบางเป็นู พีเยงทั้คอนงั้งุ้มเหมือนกันแต่อาจจะมีบางตงบาง่านบางสาวอาจจะมีสบายมากเป็นทุกข์มากสาหรับประสงฆ์ใพระพุทธศานานั้นต้องกาใช้ชวเมื่อหมดขมแล้วต้องทากิดกรมตาแค่ บิณฑบาตทุกวันบิณฑบาตนี้เป็นกิจของท่านเรียกว่าข้อมัขยันส่วนมรตการทําวัดส่วนครรเจริญเมต่าภาวนา น, นั้นการนี้เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งสนใจเรื่องเรียนการเรียนััน วิชัยว่าจะไปเรียนในสถาบันโรงเรียนการเข้าไปหาผูบาาจาร์ขอแนะนาจากท่านผู้รู้อย่ารเช่นในเธอเชรุวานอยู่ในละแวกใต้เขียงนี้ต้งมีผูบาาจารย์ท่านซึ่งเป็นหลัก ให้สาธุรชนพุตสาิศาตร์และก้าวะสมได้ยืดเป็นที่พื้เก็อดีตเกาคณะทังโวเชวาหลวง่อหลวงพ่อดำหลวงพ่อสีดำสีหลวงพ่อสีหลวง่อดำหลวงพ่อสมัยท่านแบบนี้ถือว่าเป็น ให้ครูอาจารย์เป็นปสถานที่ให้ทักท่าวาสมไปต่อตอไปเรเพื่อเรียนรู้ศึกษาความปฏิบัติัรราอันนี้เป็นหน้าที่สนใจทีมม่าเราียนภาพเรียนภาวนาก็คือการทำสมาธิภาวนา ีก็เป็นกิจจเป็นเพราะกว่ากาจะริเมตตาภาวนานั้นเป็นการฝึกหัดใจแต่เพื่อท่านไปฝึกปฏิบัติในกิจวัตรเบื้องต้นอย่างถุนเดียวก็ดำไปเแรแก่ยากโยมสาธุชนทุกาส รักษาธรรมวินัยอันนี้ก็นสำคัญมากธรรมวินัยวินัยพระคุณศีลหวขอการยึดยึดทอดกันล้วอีกอืที่นอกาชีพโมกตอกหลาส่วนนี้ต้องดูแลรักษาและปฏิบัติตาม ทำหน้าคือเราทำคำสอนใช้พวกเราแนะนำสอนอันนี้ท่านก็เวียึดมั่นรักษาไว้เป็นสมบัติของตัวอย่างหนึ่งก็คือรับที่ไหนพอปฏิบัติรักษากาวาจาเรียบร้อยและธรรมะก็คือการเจะเดินเที่ยตามภ็ได้ อิจัยในส่วนนี้รักษาสมมุติใจตั้งใจปฏิบัติศึกษาหน้าที่ในส่วน น, นี้เมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ทาหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุด ประการุดท้ายเมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็แผนเทศตาก็คือเระด้วถึงคุณงามความดีขงตัวเองแล้วก็เผยแผกส่วนคุณสมบุญที่ได้ทำนั้นนึกถึงผู้มีอุปการคุณคือญาติโยมสาธุชนทุกตระกูลนั้น ูนี้ได้มีบุตรก็ได้หรืออย่างไน้อยก็ได้ถวายอาภัพิท บ, บาทแก่พระเจ้ากระส่งผู้ที่อยู่ในท้องศีนั้น่วนเหล่านี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของระสงสำหรับชาวบ้านที่คารวจาการจงนั้นอานจะพูดตามหัว ข, อ ข, อ ข, อขีอย่างเดิม กระเรียกว่าเป็นสาธนาศาสนาประธามฝ่ายพระสงฆ์เนือว่าศาสนาพายาคือผู้สืบต่ออายุพุทธศาสนาฝ่ายาโยมเรียว่าศาสนาศาสนาประธามคือให้ดูแลรัตวาอุปธรรมบำรุงพร ะ, รระการประสม ให้ความสะดวกแก่ท่านตามกำลังความสามารถของแต่ัะผมแต่ละท่านสองภุกขลากรคือฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสองสองพ่วงนี่แหละถ้าประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเียังห้า ที่กามาเก็น์ประสงค์ต่อว่าสิทธาทำอะไรนเป็นต้นฝ่ายาฝ่าพราาก็ดูแลปกครอมุ่งมุนัสมปู้อยู่ในพระพุทธศาสนาให้ได้รับความสุดสบายพอสมควะถ้าสององค์กรนี้ือองค์กรแยกโยงกันก็ตน ปฏิบัติหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ดังทกษามาแล้วก็เชื่อเล่ว่าจะดูแลรักษาพุทธศาสนา ข, ของเราให้ยอยู่ยุ่คงอยู่ได้หลวงปู่พระูโสพลธรรมนาท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้จึงเป็น ท, ที่ไว้วางใจ เป็นที่ประดับถือแก่สา ธ, รธารณชนทุกปริษัทดิ์ยินและแอดตามรับสนับสนุนส่งเสริมแหดท่านทำภา ร, รกิจในส่วนนี้ท่านก็ทำหน้าที่ในส่วนนี้กับอย่างดีที่สุดจนเป็นที่ไว้วางใจของคณะผู้ปกครองอมอบหมายหน้าที่ให้ท่านาัรับ หน้าที่ทหารในส่วนที่รับผิดชอบจะบอกเป็นกรัรว่าส่วนนี้ที่ว่าเป็นการทําหน้าที่โดยสมบูรณ์บริบูรณ์เกิดบทเข้ามาแล้วทำหน้าที่ในส่วนนี้พระเจ้าพระสงค์ก็บอกเป็นพะ้ทรงที่มีกิจวัตรถ้าไม่มีกิจวัตรในส่วนนี้จะไปลว่าไม่มีกิจวัตร คือไม่ทำภ า, าระหน้าที่ตราไตยที่ผสง์อย่างทำกิจวัตรหรือทำหน้าที่ดังที่ก่านั้นเราคืว่าเป็นผู้บวกเพื่อจะดูแลรักษาคุ้มครอ ง, องกับผู้บรษหาให้ดำรงอยู่ระยะโยงสาธาชนผูกประกอบกทังหลายสนับสนุมส่งเสริมระส ม, ส ม, ส ม, สมให้ท่านดูในขาวาันั้นหรือสุดที่ท่านพักแรมได้ ได้อยู่ระดวกะบายในทางที่จะทำหน้าที่ของระทรให้สมบูมณบริบูรณ์ได้กระทรช่วยกันสนับสนุ น, นถ้าปฏิบัติได้ดังกล่ัวมาก็เชื่อว่าพุทธศาสนาของเราจะดำรงอยู่เป็นสมบัติของชาติตลอดไป วันนี้เราท่านทั้งหลายมาทำลึกๆถึงคู่นูบัตรรักษุญของหวงปู่เลิศพระครูโสว์คนธราตุที่ได้ธรราที่ของท่านบริบูรณ์ของบุญแลทุกชิ้นทุกอย่างที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของท่านสาธุชนทุบริษัทและสรูบาอาจารย์ก็ได้เห็นข้อบัดญัิบัญัติ การพื้นที่ปฏิบัติของท่านแล้วจนมาถึงวันนี้ท่านได้ต่อยมาภารกิจในส่วนนั้นแล้วก็ท่านเป็นไปตามแนวทางก็คือความใมเรื่อเที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตของทานพอท่านได้ถึงแก่กรรมถึงแก่วรรณะภาพ จากผู้หลานฝาผู้คนตลอดทุกขระทุ้ถึไปเจาท่าทั้งหลายซึ่ได้มาเป็นู้ร้องกันบงเป็นกุชมคือทำชาพระกิจสบแต่พระคุณท่านหลวงปู่พระครูโสคมธรรมนานถนัดเงินฟ้ามีตแมัแหน้มีฐาอันดอนต่าง เีื่งแหน่งคือเป็นข่าวว่ามิฐานอันดอคือมีเจ้าลักฐานยกล่องเป็นพระครูสังยบในทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติเกี่ยวกับสริรักศของท่านก็จะทำให้ถูกต้องดีงามตามสนุกรรเนียมสตินี้แต่ตอนนี้เราได้มาทำในส่วนนี้ มาร่วมไตรขาดเป็นศพท่านพระครูทุกท่านนั้นก็เลยทำห น, น้าที่สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างาการที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมในงานนี้คงบอกถึงว่าเราท่านทั้งหลายนั้นมีความรับรับนักถือ ในท่านพระครูทุกคนมีน้าใจไตรรมื่ถึงท่านแล้วบาบุงกินทานบ่งบอกถึงว่าเา้าพี่น้องลูกฐานของหลวงปูคงจะภาคภูใจดีใจี่ได้ศึงษาที่เชนพคตรบริสัน์มาช่วงงานตลอดจนพระเจ้าสมเด็ส่วนนี้เนี่ยว่าเราว่า จากกา ร, กา ร, รดำเนินกิจกรรมเข้าสิริราชสมบั่ิจะได้น้ำใจและข่านตอนแห่งการกประพัติปจบัติเกี่ยวกับการขกครองท่านก็ได้ตามใจถูกต้องตามธรรเนียมประเพณีคือท่านเป็นพระสมณศักด์มีการแต่งาที่มียศ ก็ดยทำตามเป็นดีคือขอพระราชทาไปประราาให้เกียวท่านอันนี้เรียกว่าเป็นคำเรียนประเพณีและทุกคนทุกท่านและจะไม่ใช่เป็นลูกเป็นหลานผู้สนิทคุ้เคยกรผมยา่าเคยไปมาหาสู่ได้รับการชี้แนะหรือมีอะไร แบบฝันให้ 5, ไม่ได้ตลอดในส่วนนี้เราท่านตลางได้มาแสดงออกสุดเป็นการตอบแทนทุนทรัพยของท่านที่ได้รับความเกิดเพือกตัแต่จากหลวงปู่สำคัญอีกอย่างหนึ่งวันนี้เรามาตาเล็กถึงตาเป็นคนตาย อย่างน้อยก็แคเราได้มาทรงสมมสัวัตระลึกนึกถึงชีวิตค่ามคนอยู่โดยนึกถึงโลกสังขารทั้งหมมีชีวิตอยู่ก็คงเห้นเราทั้งหลายจะป่ท่า้นตลอทุกสิ่งกอย่างสงนิ่เฉยเียว่า ท่านมาลีละดับข้าศึกตายไปแล้วเราท่านทั้งหลายที่มาพวกนี้ก็จะมีสถานะอย่างเดียวกันการที่เรามาร่วมนี้จะได้ก่อคิดเหงื่อมาบนธรรมะของเวหรือมาชีดวัคซีนให้เกิดจิตเพื่อจะได้รู้ ได้เข้าใจแต่ปฏิบัติปฏิบัติให้ถูกต้องายได้เอย่ังนึ้นได้มีโอกาสแต่บางคร้งได้มาเห็นพระเาพระสงฆ์ผู้มาตัวห่างไกลก็จะได้ถูกภาพภูมิใจดีใจ ที่พระเจ้าประสมผูบาดกาก่วัดไะ้าวัดตั้งต้นวินดีและก็มีประสมได้มาคุยธรรมะที่พูดมาอย่างเช่นสมมาพูดนี่พูดบาลูกิ๋ธรรมะก็คือคำของใน แตี่าควได้เาได้ความอย่างน้อยมาร่วในงานหลวงเลิกเราก็ได้สา่อย่างคือได้ได้น้าใจหรืได้เพือเือเือแก่แก่ันขาให้ิงว่วน ได้น้ำใจไม่ทพี้ยนประเทวีมีความปัะพันอยู่เชิดคูทัน้ำเวทเป็นเหตุแลได้มาทำนี่แหละคือสิ่งที่เราไดจากกานตกงานเีินไนเวลาต่างๆแต่บางครั้งบาง้นเราไม่เคยไม่เคยคิดด้วยซ้ว่าเราไป หน้าสมนั้นเราได้อะไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็ยังว่าเราให้รู้ให้ข้อใจแสดงทราบว่าเรามีสิ่งได้สี่อย่างดังที่ก่ามาถ้าสีอย่างนี้ได้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ใดมีความรู้สึกนึกหรือรู้ได้ เก็บนำไปนึกไปปิ้ไปผสมกับิีบะเราได้อะไรมั้งก็เสียตัวมาร่วงงานตรงนี้ได้ประโยชน์ทุกที่ทุกอย่างต่างหากท่านสาทุชนทุกตัวกุศลทั้งก็แอบดูบาดยามาพูดในงานนี้ต้องมาทำในส่วนนี้สมบูรณ์โดยเต็ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่า ทุกท่านมาทำหน้าที่สมบูรแล้วหลวงปู่ท่านผู้รนุภาพแบบนั้นก็ภาคภูมิดีใจภาคภูมิใจที่จะเห็นครูบาอาจารย์ทุกคนทุกสปฏิสัมมาร่วมกันบงองเพ็ญกุศลฤาษีธรรมประเพณีศพให้แก่พระภูมิท่านส่วนนี้ถือว่า เป็นคุณธรรมความดีของเราทั้งหลายแต่สั้ำอันอย่างยี่งมาบำเก็ญกุศลเพื่อที่จะรวมตัวกุศลให้แก่หลวงปู่ก็คือได้มาให้ทานเสียประการประตปัจจัยพิจารราตามคำนำคำทางในฐานะศีลได้หลักฐางนี้ด้หน่อย เรว่าเจริญพังงานสามอย่างนี้จรืว่าเป็นกลุ่เป็นอุปสงค์ดังนั้นขอให้ทุกๆคนทุกๆท่านที่มาร่วในการปรรูปผลผลของหลวงปู่บวรก็ขอจงรวบรวมการอุปสงคทั้งสามอย่างคือทานศีลาวนาในวงใจเปนุส์ของทุกท่าน และนออุทิตคุณกุสลมั น, นแก่หลวงปู่ผู้วายคนท่านได้ ร, ร, ร, ดรับพระรษาอัมภธนาตังสรรคพระติดวิสัยของหลวงปู่นั้นจะเป็นอย่างไรก็ถูกแทะแต่เพราะว่าคุณนประดมีนั้นเป็นส่วนเฉพาะตัวของท่านท่า น, นเป็นไปแล้วท่านจะอยู่ในแห่งผล ตำแหน่งใดสานที่แห่งใดก็ได้ผู้ได้รักทราบว่าลูกศิษย์ทุกคนยังระลึกรลึกลงมาร่วมกันทำเป็นกุศลบุคิลส่วนตัวกุศลให้แก่ท่านท่านได้รับรูรักษาบและได้อนุโมทนาทุกข์ก็ขอให้ค้นจับทุกมีถุกและขอให้มีถูกยิ่งขึ้นไปและเุ็นกุศลที่ทุกคนทุกท่านได้บังเกิด จงเป็นปาระอภัยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกทุกคนทุกทุกท่านจงประสบแต่อิทธาวิบูรณ์มณีหยกฝนปราศจากทุกสูญโรคภายมืดคิดปราหนาสินใดขอให้สำเร็จดังตั้งใจทุกตากาทุกท่านโดยร่วมกันอ God. Ah, oh.